สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้บทเรียนจากสุภาษิตปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่26ครับสุภาษิตบทที่26ข้อที่7จ็ดจนข้อที่12โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิต ท, ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์ผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิง สภาสิทธิ์ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนต้นหนามอยู่ในมือคนขี้เมาผู้ที่จ้างคนโง่หรือคนที่ผ่านมาก็เหมือนนักธนูที่ยิงทุกคนคนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสํารอกออกมาเจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าในเขาชาวนี้แนวเริ่มในข้อที่7นะครับ ข้ี่นั้นสามารถที่จะกล่าวอย่างนี้ครับว่าคนโง่นั้นสามารถใช้สุภาษิต ท, ที่เฉลียวฉลาดหรือความจริงทางศิลธรรมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเขาเข้าใจสุภาษิตได้ไม่มากครับนะครับเหมือนอย่างที่คนง่อยสามารถใช้ท้าของเขาได้ไม่มากเช่นเดียวกันคนพิการนะครับคนง้อยขาเขาก็ห้อยร่องแรงร่องแรงไม่สามารถที่จะมีแรงนะครับก็เหมือนกับว่ามีครับแต่ใช้ไม่ได้ ถามว่าคนโง่มีสมองไม่มีครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าใจได้สุภาษิต ท, ที่สูงส่งมีคุณค่าอยู่ในปากของคนโง่ก็ไรน้ำหนักไรสิทธิทอํานาจครับและไม่ได้ช่วยเขาให้ไปที่ไหนได้เลยหรือก้าวสูงขึ้นไปเลยข่าวสารที่ดีหรือคุณค่าของสุภาษิต ท, ที่อยู่ในมือของผู้สื่อสารที่บกพร่องนั้นก็ล้มเหลวครับและก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการไม่ฉลาดที่จะให้คนโง่นะครับ ได้ไปพร้อมๆกับสุภาษิตครับแต่ในทางกลับกันครับหากคนโง่นั้นได้ถ่อมใจลงและเชื่อฟังและเข้าใจเกิดความอยางรู้และอธิษฐานวิงวอนขอต่อพระเจ้าคนโง่นั้นยังมีความหวังครับเพราะว่าถ้าคนโง่ไปกับขอความความคำาพูดที่ฉลาดนะครับก็ ไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่คู่ควรแต่คนโง่ที่ถ่อมใจนะครับไปกับการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้านะครับในที่สุดเขาก็จะฉลาดได้พี่น้องครับคนเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเช่นนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรับจะให้ความไว้วางใจให้เป็นผู้สื่อข่าวสารได้ครับในขณะเดียวกันครับก็ เขาก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดข่าวสารได้ไม่สามารถที่จะใช้สุสภาษิตได้เพราะเขาไม่เข้าใจและไม่สามารถประยุกต์มันได้เพราะฉะนั้นหากเราใช้คนโง่ไปทําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุภาษิตหรือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคนนั้นไม่ถ่อมใจและแล้วก็ไม่มีความหมายเขาเป็นเพียงแต่บุรุษไปษณีเท่านั้นเองต่อไปข้อ8ครับผู้ที่ให้เกียรติคนโง่นั้นก็เหมือนกับคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิง ถือว่าเป็นเรื่องที่ไรเหตุไรผลครับและเป็นอันตรายมากที่จะผูกหินไว้กับสลิงก้อนหินนั้นอาจจะเลื่อนหลุดไปและเป็นอันตรายแก่ผู้ที่คว้างมันออกไปได้ดังนั้นการให้เกียรติคนโง่นะครับที่ไม่สมควรจะได้รับเกียรติก็เป็นการไรความคิดสิ้นคิดครับและอาจจะทำลายชื่อเสียงของผู้ที่ให้นั้นได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนการที่เราไปไว้วางใจนะครับ การที่เราจะไม่ให้เกียรติคนโง่นั้นอย่างที่เขาไม่สมควรเขาไม่ถ่อมใจเพียงพอนะครับอย่าครับเพราะว่าอันตรายกับตัวเราเองมีคนเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าการให้เกียรติคนโง่นั้นก็เหมือนกับการติดอาวุธให้เขาที่จะทำความเสียหายให้กับตัวเองและกับคนอื่นด้วยนะครับยกอย่างเช่นการเลื่อนขั้นเขาไปสู่ความรับผิดชอบที่สูงนะครับ ทำให้เขาเนี่ยนะครับอาจจะยิงจะโสบและก็ทำให้เขาสร้างความเสียหายกับงานการต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นการโปรโมตนะครับคนโง่นะครับถือว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งก้อนหินที่ถูกผูกมัดไว้กับสลิงก็ไร้ประโยชน์ชันใดการให้เกียรตินะครับกับคนโง่ก็จะต้องถูกโยนทิ้งไปนะครับชั้นนั้น ข้อที่9ครับบอกว่าสุภาษิต ท, ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนกับต้นหนามที่อยู่ในมือของคนขี้เมาอันนี้ก็จะสอดคล้องคล้ายๆกับข้อที่7นะครับสุภาษิตข้อที่7บอกว่าสุภาษิตในปากของคนโง่นะครับก็เหมือนกับขาของพิการในข้อที่9บอกว่าสุภาษิตในปากของคนโง่ก็เหมือนกับต้นหนามครั บ, รบเราไปดู ก, กันครับว่าต้นหนามในมือของคนขี้เมาคืออะไรมีความหมายหลายอย่างครับ1 คนเมาอาจจะทำให้คนอื่นเสียหายโดยการแกว่งต้นหนามไปรอบๆสองคนเมาอาจจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดในขณะที่เขาเอามือจับหนามนะครับสามคนเมาไม่สามารถบ่งหนามออกจากมือของตนได้นั่นหมายความเช่นเดียวกันกับคนโง่ที่ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้สุภาษิต ท, ที่ตนเองกล่าวไว้ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องครับคนส่วนใหญ่แล้วก็ ให้ความหมายแรกครับว่าคนเมาอาจจะทําให้คนอื่นเสียหายโดยการแกว่งต้นหนามไปรอบๆขอ้อ10ครับขอ้อ10บได้บอกว่านายจ้างที่จ้างคนโง่หรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับนักธนูที่บ้าระห่ายิงคนไม่เลือกหน้าพี่น้องครับการจ้างงานโดยไม่ดูคนให้ดีในที่สุดนั้นเป็นผลร้ายต่อผู้ที่จ้างหวา น, นั่นเองตรงนี้ก็พูดถึงคนโง่อีกเหมือนกันครับ คนโง่นั้นไม่เพียงแต่ไม่เหมาะที่จะสอนด้วยสุภาษิตเท่านั้นแต่เขายังไม่เหมาะสำหรับงานอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาจะก่อความเสียหายด้วยถ้อยคาและการกระทำของเขาครับกาศโซโลมอนนั้นได้เปรียบเทียบคนโง่และบรรดาผู้ที่ผ่านไปก็คือไม่รู้จักเขาไม่เคยถูกทดสอบนะครับไม่เคยรู้ฝีมือของเขานะอย่าไปใช้เขาครับนะเพราะว่า การกระทําของเขาทํานายไม่ได้คาดหวังไม่ได้และอันตรายมากครับมันเหมือนกับปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ที่ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่านะฮะพระเยซูได้ห้ามปรามผู้ที่เป็นสาวกครับบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นสาวกนะเขาต้องติดตามติดตามพระเยซูไปทุกที่ครับจะต้องรู้จักกับพระเยซูครับและเมื่อรู้จักพระเยซูจริงๆครับคุณถึงจะติดตามพระเยซูได้และ รู้ความปรารถนาและนาำมัไทยของพระองค์ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปก็เป็นข้อ1 1 1 2นะครับซึ่งจะเป็นการต่อเนื่องกันข้อ1 1 1 2ได้กล่าวว่าคนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนกับสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาและข้อ42ครับเป็นซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในช้าวันนี้เจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือยังมีความหวังในคนโง่ามากกว่าในเขา พี่น้องครับคนฉลาดเขาไม่ทําความโง่ซ้ำซากครับนะครับเขาไม่ทาซ้าความโง่ของเขาแต่คนโง่กลับกันครับคนโง่ก็ทําความโง่หรือแสดงความโง่ออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสารอกออกมานะครับแต่สำหรับคนเราไม่ไปกินสิ่งที่สารอกออกมาครับนั่นหมายความว่ากาลังเปรียบเทียบคนโง่นั้นก็คืออะไรครับก็คือสุนัขนั่นเอง คนโง่ปฏิบัติตัวเหมือนสุนัขนะครับแทนที่จะปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์เหมือนคนครับคนธรรมดาทั่วไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําความโง่ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับจึงเป็นการที่ลดเกรดของตัวเองจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์ครับข้อความนี้อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่พระกัมพีได้เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพระกัมพีนั้นมีสิทธิ์ทีอานาจมีอัลทอริตี้ที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องคิดครับเป็นข้อคิดสําหรับเราว่าถ้าเรานะครับในบางเรื่องเราก็โง่ครับแล้วเราก็ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเราจะไม่กลายเป็นสุนัขครับแต่เราจะเป็นคนที่ถ่อมใจลงและเมื่อถ่อมใจลงแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราครับโดยการทรงนําได้ความเข้มแข็งฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับก็จะสามารถจะหลุดออกจากการเป็นสุนัขกลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิม ในข้อ12สุดท้ายนะครับในวันนี้ก็เราจะเห็นคำว่าคนที่มีปัญญาคนที่มนโนคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญานั่นแหละครับคือโง่ยิ่งกว่าโง่ครับคือแย่ยิ่งกว่าคนโง่ก็คือคนโง่ที่หลอกตัวเองครับว่าตัวเองหรือนึกเอาเองหรือมนโนเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญญา นี่นครับคือกลายเป็นคนโง่ที่ทะนงตัวโอ้อวดไม่รู้ว่าตนเองเป็นยังไงนะครับมีแต่ความรู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับดังนั้นเองใครก็ตามที่เป็นอย่างนี้นะครับเขายากที่จะให้ช่วยได้นะครับยากที่จะไปถึงความช่วยเหลือได้ครับเพราะว่าความหญิงยะโสนั้นปกปิดหรือปิดบังนะครับขวางกั้นทำให้เขาไม่มีวันฉลาดได้เลย นี่ถือว่าเป็นการสรุปจบในคําสอนเกี่ยวกับคนโง่ครับพี่น้องครับคนโง่นะครับหลายหลายคนเลยมีความหวังครับเพราะว่าเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้ า, าการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเขาก็จะสามารถรู้ตัวเองได้ว่าโอเคเขาโง่นะครับโง่ในด้านนี้โง่ในด้านนั้นนะครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นคนโง่ได้หมดครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนโง่ที่มีสติปัญญาคือคนโง่ที่กับใจเสียใหม่ครับ คนโง่ที่มีสติปัญญาคือคนโง่ที่ถ่อมใจลงครับยาทนางตัวหรือเยื่อยิงเป็นอันขาดครับเพราะว่าความทนงตัวหรือเยื่อยิงนั้นทำให้เราตาบอดและไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถเห็นในสิ่งที่ตัวเองต้อ ง, องรับการแก้ไขครับและคนโง่นั้นจะโง่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนโง่ที่เยื่อหยิงยัโสโอหังนะครับทางตัวนะครับถือว่าเป็นคนโง่ระดับลึกครับระดับสุดๆของคนโง่ ขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราจะเป็นคนโง่ที่กลับใจใหม่เป็นคนโง่ที่พร้อมที่จะถ่อมใจเป็นคนโง่ที่พร้อมจะรับการสอนจากพระวจนะของพระเจ้าและเป็นคนโง่ที่จะพร้อมรับการทรงนำการแก้ไขที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน